พระอาจารย์ครับการรวส ก, การครับผมจเจริญพรท่านคุณหมอและท่านผู้ช ม, มทุกฝั่งทุกท่าน<อ>ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบสามแล้วนะครับพระอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อเช้าวันนี้วันพระด้วยวันหยุดด้วยพระอาจารย์มีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมวันนี้หกรอยกว่าหกร้อยเจ็สิบสามคนอ้อครับผม วันวันนี้ภรรยาผมไปใส่บาตรพระอาจารย์ด้วยอนกัครับเขาเขปิติมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วตอนบ่ายคนไปฟังธรรมเยอะไหมครับพระอาจารย์ครับก็ประมาณสองร้อยสี่สิบสองรสี่สิบคนโอรวมกันก็ประมาณแปดร้อยแปดสิบคนนี้แปดร้อยแปดสิบครับผมตอนนี้ที่นี่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าครับอาจารย์ครับผมก็ ขอโ อ, อกาสพระอาจารย์ครับวันนี้วันพระก็เลยอยากฟังวิธีการเจริญปัญญาครับพระอาจารย์ครับในทางพระพุทธศาสนาครับกบาราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผมปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามสามชนิดด้วยกันชนิดแรกนี่ก็สุดะมายปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมที่เวลาเราฟังเทศบาลนี่เรากําลัง เจรสุดธมะปัญญาในเวลาเราอ่านพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเช่นมงคลระสูตรธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรอันนี้เป็นการศึกษาเรียนความรู้ที่พระเจ้าสรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนอันนี้เป็นขั้นต้นขั้นต้นในที่สุดธรรมะปัญญาคือการเรียนรู้เหมือนกับที่เราไปโรงเรียนโรงเรียนก็เราก็ไปเรียนรู้จากครูในห้องเรียน ครูจะสอนวิชาต่ตางๆแล้วก็จะให้การบ้านเรากลับไปทำํำทางพุทธศาสนาก็มีการบ้านคือเราต้องเอานําที่สิ่งที่เราเรียนรู้นี้ไปยินในทางนี้ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้นี่คือที่มาที่สองของปัญญาชนิดที่สองเรียกว่าจินตามะยะปัญญาจินตาก็คือจินตนาการเองวิชาคาว่าจินตนาการ เราต้องจินตนาการถึง ท, ทําให้เราได้ยินเช่นอริยสัจสี่ถ้าเราทุกข์เกิดความเกิดแก่เจ็บตายสมุ ท, ทั่เหตุที่ทําให้เราทุกข์เพราะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยางไม่ตายเป็นต้นถ้าเราก็จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอามาทําการบ้างอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวเราก็เลยเพราะว่าชีวิตเรามันวุ่นวายกับเรื่องราวเยอะทำมาหากินเนี่ยพอฟังเทศเสร็จวันนี้เดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องทำมาหากินพวกนี้เราจะไปทําที่ไหนอะไรอย่างไรถ้าเราไม่เอามาคิดพิจารณาอยู่เรื่องเดียวธรรมะที่เราได้ยินในคืนนี้เดี๋ยวมันก็จางหายไปถ้าไม่อยากให้มันจางหายไปอยากให้มันอยู่ในใจเราเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่องเดียว พระพุทธเจ้าสงสอนให้เราพิจาาทุกทุกคืออะไรทุกก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ่จากกันจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักและการประสบพบเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่รักพอเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาและท่านก็ทรง์แสดงบอกว่าที่มันทุกข์เพราะใจของเรานี้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนา น, าน เพราะเราอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเองอยากไดมีร่างกายเราก็จะได้ไปหาลาบยุดเสริญหารูปเสียงกินลดปัสเสภได้อันนี้คือเราพิจารณาให้มันเข้าใจตักกะของทุกสมุทยัยเพราะสมุทัยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีตัณหาความอยากอยากเสพรูปเสียงกินลดก็ต้องมีตาหูจ ม, มูนกนิ้วกายเป็นต้น ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เรต้องทำยังไงเราก็ต้องตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปถ้าเราจะตัดได้ยังไงก็เราเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นของไปเทียมมันไม่ใช่ตัวเรามันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเพราะเราก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ ร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกขั้งทุกเพราะเราไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตาจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเป็นไปไม่ได้ถ้าเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาก็คือมั้งคือเห็นว่าร่างกายเป็นตายแล้วเราก็ปล่อยปลงปล่อยให้แก่ใเจ็บให้ตายไปพอปล่อยให้แก่เจ็บตายได้อใจย์เราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ยังยังเป็นจินตามายปัญญาอยู่เป็น ยังเป็นขั้นขั้นจินตนาการอยู่ยังไม่ได้เจอของจริงเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังดับความทุกข์ในใจไม่ได้เวลาเจอความเจ็บเจอโรคมันอย่างนี้ยังจะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งที่ทั้งที่ทเราเข้าใจทฤษฎีแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยากเป็นไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันต้องเจ็บไายได้ป่วยเป็นธรรมดา การนำพาเราไปสู่ปัญญาขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เป็นปัญญาที่เรียกว่าขั้นการทําข้อสอบเราเรียนหนังสือเราเรียนจากข้จากครูม า, แ ล, แ, ลม า, ามมแล้วเราก็มาทําการบ้านเตรียมเตรียมไว้ก่อนแล้วเราก็รอวันสอบทีนี้เราเข้าห้องสอบตอนเข้าห้อสอบเราจะไม่มีหนังสือไม่มีอะไรมาเปิดดูได้แล้วนะี่จทดสอบปัญญาของเราที่มีเราฝังไว้ในใจเราว่าจะสามารถตอบคําถามที่อาจารย์ ตั้งขึ้นมาได้หรือไม่ข้อสอบของพวเราก็เหมือนกันข้อสอบของเราคือร่างกายของเรานี้ที่วันหนึ่งจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดถ้าเราจะสามารถผ่านความแก่ความเจ็บความตายอย่างไม่ทุกได้หรือไม่อันนี้จะถ้าจะไม่ทุกใจจะต้องมีกําลังที่จะหยุดความอยากให้ได้ ตอนที้เรายังหยุดความอยากไม่ได้เรารู้ว่าความอยากเป็นตัวทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะหยุดดับความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีสมาธิเราต้องไปภาวนาภาวนาก็มีสองระดับระดับแรกสมาธิภาวนาทําใจจะทําใจให้นิ่งเพื่อหยุดความอยากให้ได้ก่อนหยุดแบบชั่วคราวก่อนแล้วพอ เราสามารถดับความอยากได้ชัวรขาวแล้วนะเวลาเราออกจากสมาธิมาพอพอพอใจเราไปอยากให้ร่างกายไม่แก่เจ็บตายแล้ว เ, เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาที่เราได้ผ้ามสอนที่เราทำการบ้านมามาประกบกับสมาธิที่เราได้จากการนั่งสมาธิเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ปัญญาขั้นที่สามนี่เรเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่มีการการการสนับสนุนด้วยด้วยการภาวนาก็คือสมถรภาวนาการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดคิดให้ได้หยุดความอยากให้ได้อันนี้แหละปัญญาขั้นที่สามนี่ถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้ ว่าจะมีคนถามว่าสมัยก่อนตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนี่พระเจ้าแสดงให้กับปัญจวคัคคีท่านก็แสดงสุตตามยะปัญญาแล้วทําไมมนุษย์ทำได้เพราะผู้ฟังก็มีสมาธิอยู่แล้วเครับปัญญาที่เขาฟังนี้ก็เอามาแปลงเป็นภาวนาะเมยะปัญญาได้เ้ว่อำนาจของสมาธิที่เข า, ท, เขาที่เขามีอยู่ในใจของเขาแล้ ว, ลวลลเขาฝึกฝนลบลมมาเข้าชาญได้อยู่แล้วมีโอเบคา พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องหยุดความอยากนะถ้าไม่อยากจะทุกข์เขาก็หยุดได้เขาก็ไม่กลัวความเจ็บใไข้ได้ป่วยเขาไม่กลัวความตายเพราะเขารู้ว่าเขาหยุดความอยากได้เขาทําใจให้นี่งเฉยไดน้นี่คือปัญญาสามระดับในพระพุทธศาสนาปัญญาของมุศาสนานี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจไม่ได้มีไว้เพื่อไปหายาพยศสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เปาหมายของปัญญาอุปสาสนามีอยู่เป้าหมายเดียวคือดับความทุกข์คำสอนพระเจ้าทั้งหมดที่มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนี้ถ้าบอกว่าเป็นเหมือนกับน้ําทะเลน้ําทะเลนี้มีรถรถเดียวคือรถของความเข้มชั้นในธรรมของพระเจ้า ท, ทั้งหมดที่แสดงไว้นี้ก็มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจก็มีแบ่งเป็นสามระดับขั้นต้นก็ต้องศึกษาก่อนสุตตามะยะปัญญา ขั้นที่สงเอาไปทําการบ้านเอาไปพิจารณาให้ให้จดจําให้ได้อย่าหลงอย่าลืมเพื่อเวลาที่เราไปเจอข้อสอบเราก็จะไดไ้รู้ว่าเราจะต้องละอะไรเราต้องละตัณหาความอยากถ้าเราลไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสมาธิให้ได้ก่อนพอได้สมาธิแล้วทีนี้เราเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะสามารถ หยุดความอยากได้เราไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายนะเราหยุดนั้นไม่นานนแต่เราหยุดความอยากที่ทําให้เราทุกข์ได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ปัญญาก็เกิดปัญญาขั้นที่สามนะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองยังก็ยังไม่ไม่ไม่ยากมากแต่บางทีขั้นขั้นที่หนึ่งที่สองว่าไม่คนที่ไม่สนใจก็ก็ไม่อยากจะเรียนนะ ทางเทศที่ไหนหาทุกทีเนียพอตั้งตังตั้งโมขึ้นมาอาจารย์ครับจะมักจะมีคนถามอยู่เรื่อยครับว่าแล้วเราจะเจริญปัญญาตอนนั่งสมาธิหรือจเจริญปัญญาตอนไหนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับต้องตอ น, ต อ, นออกจากสมาธิแล้วตอนที่เจอปัญหาเหมือนเรากินยาเร้จะกินตอนไหนดีกินที่เรามีโรคใช่ไหมครับผมถ้าไม่มีโรคเรากินไปทําไม ยามันก็ไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นในปัญญาก็มีไว้ดับความทุกข์ใจพอเราไม่ได้อยู่ในสมาธิใจเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้แล้วก็อาจจะไปวิตกกังวลไปห่วงเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วห่วงว่าตอนนี้เลอกตั้งเราจะได้กลับมาหรือเปล่าครับนี้ก็มีความทุกข์นะถ้าอยากจะไม่ให้เราใจเราทุกข์เราก็ต้องมองว่าการเลอกตั้งนี้มันเป็นของไม่แน่นอน อาจจะได้รับเรื่องก็ได้อาจจะไม่ได้รับเลือกก็ได้เราไม่ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยินดีตามมีตามเกิดไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีใจก็จะหายทุกข์อย่าไปอยากให้ได้อย่างเดียวพอความอยากให้ได้นี่พอมันมามคิดถึงความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้อันนี้ก็เนี่ยเป็นการใช้ปัญญาครับผม ส่าใหญ่ทำใจไม่ได้กันนะ่ะเพราะไม่มีสมาธิจะต้องทุกใจเข้าถึงว่าวันนับคะนนวันสุดท้ายเลยเนะี่ยคะนถึงถึงจะรู้รอดรู้รอดถ้าไม่ได้ก็เสียใจเอถ้าได้ก็ดีใจเรื่มความทุกข์ไปชั่วคราวรอดตัวไปชั่วคราวดีจะไม่ทุกข์หนาบหน้าต่อไปดีจะทุกข์เขาน้าต่อท่านสานครับว่าเวลาที่เราอย่างสมมติว่าเรา คิดไปถึงปัญหาแล้วเรามีความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ยครับแล้วเราก็เอาธรรมะที่เราพอรู้ในใจขึ้นมาจินเป็นจินตามรยปัญญาใช่ไหมครับ<ช>แล้ ว, ว ม, มันก็หายไปได้ชั่วคราวแล้วบางทีเดี๋ยวมันก็ขุดขึ้นมาอีกแล้วก็คิดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันอาจจะตัดไม่ขาดหรือว่าแล้วรอาจจะ ง, งับได้พราะปัญหาบางทีมันไม่มไม่ลึกมไม่ยากแล้วอาจจะมีสมาธิบ้างในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะสามารถ ดงงับความทุกข์ได้แต่ถ้าไปเจอทุกข์ที่มันหนักๆเช่นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะยากกว่าอาจจะต้องใช้ใช้สมาธิขณปนาสมาธิมาช่วยถึงจะสามารถดับมันได้ถ้าเป็นถ้าเป็ น, ถ, ปนถ้าเป็นสมนุทัยขั้นสังโยชน์สิบเนี่ยมันต้องมีสมาธิถึงจะมีกำลังพอที่จะละสังโยชน์ได้ ครับผมแต่ปัญหาในชีวิตประจําวันนี้แสดงว่าจิตตามอยปัญญานี้ก็ยังพอพอช่วยได้บ้างนะครับอาจารย์ก็ลองดูแต่คุหมอใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ทุกเรื่องหรือเปล่าแล้วก็ใช้ได้บางเรื่องบางเรื่องก็ใช้ไม่ได้ใช่ครับอาจารย์ใช้ได้บางเรื่องกับอาจารย์ครับอื mm hmm. ส่วนใหญ่ก็นึกดินฟ้าอากาศไปนี่ครับอาจารย์ก็จะสบายไปช่ไปเยอะ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ได้เรื่องปัญญาเยอะเลยครับอจินตาแล้นด้วยสุดตะแล้วตามด้วยจินตาแล้วตามด้วยภาวนามยาปัญญาครับถ้ามีภาวนามยาปัญญานี้ดับทุกได้อย่างแน่นอนทุกทุกระดับระดับกลางละเอียดร ะ, ระดับยาบกลางละเอียดนี้นะระงับได้หมดแตถ้าเป็นเป็นปัญญาขั้นหนึ่งอาจจะดับความทุกระดับยาบได้ ระดับการได้แต่ถ้าเราร ะ, ร, ะระดับละเอียดระดับของสัมยวนี้มันต้องใช้ภาวนามย่ปัญญาและการใช้บัญญายอย่างที่พูดเราไม่เราไม่ได้ใช้ในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเพราะในขณะสมาธิอยู่ในสมาธิทุกไม่เกิดไงครับจิตนิ่งสงบกิเลส ท, ทำงานไม่ได้สมุทัยทำงานไม่ได้มันจะมาเกิดตอนที่เราออกจากสมาธิมาพอเราไปรับรองเรื่อ ง, ร, อ ง, ร, องราวต่างๆ แล้วเกิดความอยากขึ้นมากับเรื่องราวต่างๆมันก็จะทําให้ใจทุกขึ้นมาได้พรตฉะ น, นั้นน่ะถึงจะใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้ก็มีอยู่สอ ง, สองระดับก็คือระดับทําการบ้านคิดไว้ก่อนน้อกหน้าคือออกจากสมาธิมาแล้วก็ใช้จินตามมายาปัญญาไปก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่เจอข้อสอบพอเจอข้อสอบนี้เจอของจริงแล้ทุกข์เกิดขึ้นแนละ้วคนกมยเงินเราไปกมลอยรถเราไป ตดยที่เราจะทุกข์ทไมทุกข์แเอ้ยเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดานีจริงของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับมาแล้วก็ต้องไปอันนี้แสดง ว, ว่ามีปัญญามีสมาธิพอที่จะทำให้ใจไม่วุ่นวายไปกับการสูญเสียได้แต่ถ้าพอรู้ข่าวว่ารถหายไปเนี่ยกอดแน้นเจ็บใจมโมโหเสียใจเ <s> นี่ยแสดง ว, ว่ายังสอบตกอยู่ ไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่ารถนี้เป็นของชั่วกราวมันอยู่กับเราแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องพัดพากจากการเป็นธรรมดาเป็นอนิจจ์อนัตตาลราห้ามมันไม่ได้มันจะไปเมื่อไหร่มันนี้เป็นของเรามันจะมีอยู่กับเราไปตอลอดถ้าพิจารณาไว้แล้วถ้ามีสมาธิพอเกิดเหตุการณ์จริงก็เฉยได้ทําไงล่ะมันไปแล้วอ่ะไปทุกข์ไปเศร้าโศกเสีสยใจมันก็ไม่ได้เอามงินจับคืนมาอยู่ดีครับ เขาบอกอย่าไปเสียสองเด้งเนี่ยเสียของแล้วอย่าไปเสียใจครับถ้ามีปัญญาแล้วอย่าเสียเด้งเดียวเสียของไม่ก็เสียก็เสียไปมันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงแต่เราจะไม่เสียใจของการสูญเสียของต่างๆไปเพราะเรามีภาวนาเมย์ปัญญาเราพร้อมที่จะให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างได้อาจารย์ครับแล้วอย่างภาวนาเมย์ปัญญานี้เวลาดับทุกไปแล้วนี่ ดับได้ตลอดหรือว่าต้องมาทําไม่ไม่กลับมาแล้วทุกการที่เราดับได้แล้วมันไม่กลับมาแล้วเช่นการกลัวตายมาพอโปรงตายได้ยอมตายได้แล้วความตายความกลัวตายหายไปหมดแล้วไม่มีวันกลับคืนมาอีกเลยแล้วความโกลัเจ็บไข้ได้ป่วยกันหมือนกนพอผ่านความเจ็บได้ไม่กลัวความเจ็บได้นีน่ตายเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นไหวครับ ที่ครูบาอาจารย์บอกนิพพานดูดฟ้าตายก็คือขั้นผ่านตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับอาจารยต้องผ่านความตายขั้นสวารวันเนี่ยคือต้องยอมตายเพราะว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นหลงว่ามันเป็นเราเราแก้ด้วยปัญญาให้เห็นว่าขันห้าคือร่างกายกับเวทนานี้คือความเจ็บนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นร่างกายเนื่งเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเรา แต่มจ็บเราไม่ได้เป็นร่างกายนราเป็นใจผู้ใช้ร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกกับความตายของร่างกายความเจ็บของร่างกายแล้วพอพอเอาตายแล้วะคถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ไม่กลัวความตายนะต่อไปนี้ใช่ไว่าตายของยูนิฟั นี่กันกลัวตายม่นเกิดมาตายันเดียวแต่กลัวตายมันรู้กี่ร้อยกี่พันครั้งเนี่ยในแต่ละวันนี้กลัวตายกันทั้งนั้นเราเกิดมาตั้งแต่วันนี้จับได้ไหมว่าเราเรากลัวตายสักกี่ครั้งแล้วอยู่นู่เนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมตายกันไม่ยอมรับความจริงยังไม่เห็นความจริงเลยเลยเห็นแต่ใจมันมใจไม่มีกําลังที่จะปลงไม่มีใจไม่ยอมใจนี้ไม่มีสมาธิที่จะหยุดความอยากอยู่ได้ความอยากไม่ตายได้มันก็เลยกลัวไปอย่างนั้นเรื่อยๆ น่ากลักปจนวันตายนะครับตายแล้วก็ไปปกิดใหม่แล้วก็กลับมากูใหม่ครับผมมีคุณแดงถามมาเลยครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้ทุกหนักมากครับได้เกิดขึ้นแล้วครับเพิ่งจะเสียลูกชายไปจะทําอย่างไรดีครับก็พิจารณาลูกชายว่าเป็นเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังไป็นของเที่ยงหรไม่เที่ยงเราก็จะเห็นว่าของเขาไม่ของไม่เทียม เขาเกิดแล้วเขาว่าต้องดับเห็นแล้วทั้งสองสองตอนเห็นตอนที่เขาเกิดแล้วตอนนี้ก็เห็นตอนที่เขาดับนะเขาไม่ใช่ของเราถ้าของเราเขาว่าต้องอยู่กับเราไปตลอดนั่นเราไปสั่งไปห้ามไม่ให้เขาตายไม่ได้แล้วถ้าเรายังอยากจะให้เขาอยู่เราก็จะทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปไม่อยากให้เขาจากเราไปจากเราห้ามเขาไม่ได้เขาไปแล้วถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง หยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราหรืออยากให้เขาไม่ตาย น, นั่นเองเราต้องยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับการการตายของเขาไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้นะ่ะเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยเราไม่ก็เราไปกําหนดมันไม่ได้มันเป็นเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของของใครผู้หนึ่งผู้ใดจะไปกําหนดเรื่องการอยู่การตายของของร่างกายได้ คุณสมพรครับบอกว่าบางครั้งเหนื่อยล้าบางครั้งสดชื่นบางครั้งจิตตกบางครั้งโลกบานสดใสถือเป็นอนิจจังใช่ไหมครับใช่นะภาวะของจิตใจที่เราดูจิตให้เขา้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้ยบางครั้งก็สดใสบางครั้งก็เบวชบานบางครั้งก็เศร้าเศร้าเศ้า อ, อ, อย่างไงเงาอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันสดใสเบิกบานอย่างเดียวเราก็จะไม่ทุกข์กับมันยินดีอยู่กับมันไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศวันนี้ ฝนฟ้าอากาศมืดครับมืดมัมพวพรุ่งนี้ไม่มีเมฆไม่มีหมอกอพาทิศออกมาอากาศแจ่มใสแล้วก็คุมบังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ได้ด้วยการยอมรับความจริงอย่าไปรยาดให้มันเป็นไปตามความอยากของเราถ้าความอยากของเราไม่ตรงกับความจริงเมื่อไหร่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีรนครับอาจารย์ครับอย่างนี้ถือว่าเห็นจิตไหมครับ ที่บอกว่าบางครั้งเห็นจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเห็นเหมือนกันแต่ยังเห็นไม่ครบเห็นแล้วต้องไม่ทุกข์กับมันตรงนี้แล้วจิตตรงนี้จะทุกข์กับมันครต้องไม่ทุกข์กับมันเวลาจิตมันตกก็ดูว่ามันของขึ้นขึ้นลงลงเหมือนทองอะขึ้นขลงลงหุ้นอะขึ้นขึ้นลงลงแบบเรื่องนั้นนั่นหละเห็นแล้วต้องไม่ทุกข์กับมันไม่ต้องดีใจเสียใจถ้าดีใจเสียใจก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นจริง แท้จริงก็จะเฉยๆครับเหมือนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เออเห็นร่างกายบางทีก็เจ็บไายได้ป่วยบางทีก็ไม่เจ็บไายได้ป่วยครับแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เฉยๆไปป่อยให้มันเจ็บไปไว้ให้มันไม่เจ็บไปแล้วแต่ภาวะที่มันจะทําให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราไม่สามารถไปควบคุมภาวะต่างๆเหล่านี้ได้มันเป็นอนัตตา มันเป็นระบระบของธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะมาสัง่งมันให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันซ้ายหันขวาได้อาจารย์ครับคุณย่าบอกว่าวันนี้เป็นวันครูครับน้อมกลับอาจารย์เป็นครูทางธรรมครับผม łbym. นั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นขอนไม้ครับพระอาจารย์ ก็เป็นไปนได้เพราะร่างกายเพราะเราจิตมันยากออกจากร่างกายแล้วมันก็บางทีร่างกายก็รู้สึกไปเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟืองแต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นอย่ยไปคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังแล้นั่งในสมาธินี่บางทีมันจะมีวิอาการต่างๆบางทีมือไม้ที่เรามือที่เราวางไว้กับหน้าต่างนี่มันแข็งเนียนเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันไปอะไรก็มีพาที่มันก็หายไปก็มี แล้วแต่มันไม่แน่นอนคนที่นั่งไปรู้สึกว่าร่างกายหายไปเลยแล้วก็มีอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการที่เรานั่งสมาธิเ้าหมายเราอย่าไปสนใจพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเป็นอ น, นิจจังเป้าหมายวอาเราคือต้องการให้จิตเราเงี่งสงบเป็นโอเบขามีความสุขทั้งแต่เองถ้ายังไม่สงบหรือไม่มีความสุขยังไม่เป็นโอเบคาก็ดูลงต่อไปหรือภาวนาพูดถูดต่อไป แล้วก็ทาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะดิ่งลงเข้าสู่ความสงบแล้วดิ่งบางทีมันก็เหมือนกับตกล ง, งจากที่สูม ง, งมาตกวูบเหมือนมันล ง, ลงจากืชั้นสูงเนี่ยเลื่อนดน่วนวนี่มันรู้สึกมันจะตกม า, มาจากที่สูงแล้วพอมาแตงพื้นมันก็นิ่งสงบเย็นสบายมีความสงบ การทำให้ตัวเองมีความสุขคือการต้องมีตัวรู้ไปตัดกิเลสตัดความคิดลบตัดความคิดที่เพลิดเพลินปรุงแต่งการสติกำกับโดยเอาตัวรู้ไปตัดกิเลสยมเข้าใจถูกต้องไหมครับคือเราเอาสติไปตัดไม่ได้เอาไปเอาตัวรู้ไปตัดคือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราต้องใช้สติหยุดมันเพราะว่าความอยากมันอาศัยความคิดเป็นเครื่องือ ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะหยุดได้ถ้าหยุดแบบชั่วคราวถ้าใช้สติก็หยุดแบบชั่วคราวถ้าใช้ปัญญามาช่วยก็จะหยุดอย่างทา้าวอถ้าหยุดใช้ทั้งสติใช้ทั้งปัญญามันก็จะหยุดอย่างทา้าวอเพราะปัญญาจะบอกให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ว่ามันเป็นความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสุขความจริงมันเป็นทุกข์ทุกข์ท้งไม่เที่ยว ทุกข์มันไม่ใชเป็นของเราเราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ไปตลอดเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขมันเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากได้มันเราก็จะหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาได้ด้วยการสนับสนุนของสติถ้าปัญญาบอกให้หยุดความอยากแล้วแต่ถ้าไม่มีสติที่จะหยุดมันก็ยังหยุดมันไม่ได้คือไม่มีสมาธิมีความทุกข์หนัก เรื่องความสงสารครับเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วเป็นทุกข์ครับจะต้องทําอย่างไรครับก็มองว่าเขากับเราไม่ต่างกันหรอกเราไปแล้วก็ต้องไปเหมือนเขาทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนทุกมากทุกน้อยก็เพราะบุญบาป ท, ที่ทํามาไม่เท่ากันนั่นเองมองว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปการที่สสใช้ข้อมูลเท็จยุยง เด็กและประชาชนให้เข้าใจผิดจนเป็นนิสัยเพื่อให้ฝ่ายตนดูดีอย่างนี้ต้องตกนาลบุมไหนครับอันนี้ไม่ทราบนะเป็นการพูดปดขอออ้อกเราวงก็ขึ้นอยู่กับว่าทำด้วยสาเหตุอันไหนคือถ้าทําบาปด้วยความหลงนี่ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตทําทบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุรกายถ้าทําบาปด้วยความมาคา่าพยาบาลเครียดชค่ จงเวรจางกรรมก็จะไปตบทนรกอยากทราบว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงครับาอาจารย์ถ้าเราตั้งนอนหลับเนี่ยนอ น, นอนหลับแล้วก็ตายเชื่อเก่าแล้วก็เข้าสู่นอกของความฝันนั่นเองถ้าเราทําบุญมากกวบาบาปเราก็จะฝันดีถ้ า, าทําบาปมากกว่บุญเราก็จะฝันลาย คุณกัญญาบอกว่าทุกคนต้องตายเขา ว, ว่าเป็นของเที่ยงใช่ไหมครับแค่ว่าเทียงไม่เที่ยงมันก็เป็นความจริงอ่ะนะเอาเขาว่าเป็นความจริงดีกว่าเพราะคำว่าเที่ยงนี่มันอาจาฟังแล้วมันอาจจะมันอาจจะไม่ตรงกับอันนีเราก็ไม่ทราบนะแต่เราคิดว่าเป็นความจริงดีกว่าเราศึกษาความจริงกันเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงวันนี้เราหลงกันเรามองไม่เห็นความตายกัน ถ้ า, าไม่คิดถึงความตายเราจะหลทีชื่อเราจะอยู่ไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องเติดใจเราอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีบารมีลดสติคิดถึงความตายอยู่หลายๆครั้งอย่างที่พระเจ้าทรงถามพระอานุนว่าอนุ์วั น, น, ว น, วนหนึ่งนี่เธอพิจารณาความตายสักกี่ครั้งอนนุ์บอกว่าสามสี่ครั้งนองก่อ น, น, นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่เธอยังหลงอยู่ อาจจะไม่หลงยู่เธอจะพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกรับหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนี่คือความจริงที่เราต้องศึกษากันแล้วเพื่อไม่ให้หลงไม่เมื่อเกิดทุกข์เราจะปรับความรู้สึกให้หายไปทันทีไม่ได้ต้องใช้เวลาและสะติในการปล่อยวางใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่สติปัญญาของเราว่ามีมีมากมีน้อยถ้าฝึกฝนมาบ้างนี่พอทุกเกิดปั๊บนี่ดับได้ทันทีเลยก็มีมันมีที่ความจนานาญฝึกซ้อมไว้ปัญญาตายรักอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีสติที่เข้าสมาธิได้อย่างง่าดายและรวดเร็วถ้ามีสองอย่างนี้แล้วพอทุกเกิดขึ้นปั๊บมันจะไปเลยมันจะไปหยุดที่ความอยากทันทีเลย ตอนกำลังใกล้จะหลับได้ยินเสียงตัวเองโกนอยากทราบว่าเป็นอย่างไรครับก็ครึ่งหลับครึ่งตื่ น, <c oughs> ก, นกรับนักวิการพระอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหยุดฟุ้งก็ ร, กรู้กลับมาที่กายก็รู้แบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วตอนนิ่งสงบใจมีความสุขต้องตัดใช่ไหมครับคือต้องอยู่ ต้องอยู่กับกรรมฐานต้องอยู่เอาอารมณ์ภูกไว้ผูกจิตไว้อย่าตามความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไปให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจจิตจะได้เข้าสู่สมาธิได้ถ้าไปตามรู้ภาวะต่างๆที่มีปรากฏในใจมันก็จะทําให้จิตไม่เนื่งไม่สงบจะเข้าสมาธิไม่ได้การที่เรารู้สึกจริงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดอีก มันเกิดจากปัญญาที่เกิดขึ้นหรือยังปรุงแต่งจิตยอยู่ครับมันต้องพิสูจน์ในกายกระทําว่าเราไม่อยากจะมาเกิดจริงๆริงหรือเปล่าถ้าเราไม่เกิดจริงๆริงเราต้องอยู่แบบนักบวชได้ไม่เสพศพจากไม่เสพไม่หาความศขจากภาพยศสรรเสริญไม่หาความศขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เป็นตัวพิสูจน์ว่าเรารู้จริงหรือไม่ถ้ายังไม่จริง ก็ยังถ้ายังเสพอยู่ยังยังถือสินแต่ไม่ได้ยังเป็นถือสินเพรานักบุญไม่ได้ก็ไม่ยังถือว่ายังยักลับมาเกิดอยู่ยังมีความอยากเสพรูปเสพกลิ่นลดอยู่ฝึกทําข้อใดลดความเครียดจากการทํางานได้มากที่สุดครับสตินี่แหละช่วยได้ดีที่สุดพยายามฝึกสติบริกรรมพุทโธเยอะๆอย่าปล่อยให้ใจคิด ความเครยียดกิจากความคิดสองใจที่ไปเครยียดในเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นตามที่เราอยากได้แเรวก็เครยียดจนึ้นมาื่อหุดนังเสียอย่าไปคิดถึงมันมพอเครยียดปับ๊บใช้พุทโธพุทโธเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่กําลังทําให้เราเครยียดเราจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนเรื่องครอบครัเรื่องการเงนิงนการทองทำเครยียดขึ้นมาก็หยุดไว้ก่อนดีกว่า แสดงว่าเราทํำอะไรไม่ได้แต่เรายังอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราอย่างยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดใหญ่หยู่คิดได้อยู่กับพุโทโธพุโทโธได้ความเครียดก็จะหายไปความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิคืออะไรครับด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบไบแม้จิตสงบนี่จิตแจ่มดิ่ง แล้วก็กิเลสตัณหาที่เคยสร้างความทุกข์ความเคิดต่างๆก็หยุดทํางานชั่วคราวพอความทุกข์ต่างๆหายไปชั่วคราวความสุขมันก็โผล่ขึ้นมาความสุขกับความทุกข์นี่มันเหมือนกับความสว่างกับความมืดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามีความมืดมันก็จะไม่มีความสว่างถ้ามันมีความสว่างมันก็จะไม่มีความมืดดังนั้นถ้ายังมีทุกข์อยู่ใจก็ยังจะไม่สุขพอใจหยุดความทุกข์ได้ก็ใจก็จะ ความทกก็จะโผล่ขึ้นมาในใจทันทีให้ยากยืมเงินแล้วคิดดอกเป็นจํานวนมากอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเป็นความโลภความไม่มีความเมตตาถ้าเป็นญาติก็อย่าไปคิดดอกเลยรุนนี้ไม่ดีให้เขาไม่อะไรดีกว่าเมตตาให้ความสุข ก, กับเขาช่วยเหลือกันไป เราหุงข้าวแล้วในข้าวสารมีมอดเราล้างน้ําออกระบาบไหมครับไม่ทราบตัว ม, ม้อเนี่มัเป็นจิตใจหรือบาไม่ทราบนะมีดววิญญาณหรือเปล่า<บ>ถ้ามีก็บาบแมลงอะไรอย่างนี้เลยไหมครับอาจารย์มันก็ต้องพยายามแยกมันออกไปด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทากันนครับกลับเป็นถามป้าจารย์ครับ อาการตกจากที่สูงแล้วเกิดความนิ่งสงบเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศมีความอิ่มหนักแน่นมั่นคงในจิตเหมือนไม่มีร่างกายสภาวะแค่รู้อยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เคยปฏิบัติมาลูกขอการเรียนถามว่าทำอย่างไรลูกจะสามารถเข้าสภาวะแบบนี้ได้อีกครับก็ทาแบบนั้นน่ะเราเคยนั่งแบบไหนเราชอบแบบนั่งเราต้องจดจาไว้เวลาที่เราเจอ นั่งจิตสงบก่อนที่เราจะเริกก่มเราต้องมาทบทวนหรือว่าวันนี้เราดั้งอย่างนี้อย่างนี้จิตของเราถึงจะเข้าสู่สภาวะนี้ได้ถ้าเราจําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นคน้คนค้นหาใหม่ต้องมาลองผิดลองถูกใหม่แต่โดยหลักก็คือให้มีสติโย ก, กรรมฐานผูกใจให้รู้อยู่กับอารมณ์อย่างใ ด, อ ย, งดอย่างหนึ่งเช่นจะอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยอ ย, อยู่กับเลมหายใจไปเรื่อยๆ แล้วเราไม่ยังพาเราเข้าสู่ความสงบได้พระอาจารย์ขนาดหลวงตา ย, ยังเข้าไม่ได้ตั้งนานใช่ไหม ค, ครับเพราะท่านลืมท่านลืมไปท่านเผลอไปท่านไปไปทํากฎอยู่เดือนหนึ่งว่าใจก็เลยไปคิดแต่เรื่องทำกฎไม่ได้เข้าสมาธิเลยในช่วงนั้นปกติท่านจะเข้าทุกคืนเนี่ยทุกวันมันก็จําได้แต่พอมาทํากฎทิ้งไปสักเดือนหนึ่งไม่ได้เข้าเลยจําไม่ได้นะ คือแล่นั่งก็เกิดความอยากให้มันสงบเหมือนเมื่อก่อนเพราะคิดว่าเคยสงบแล้วพอนั่งครับสั่งให้มันสงบมันจะสงบมันไม่ยอมสงบตามที่เราสั่งตามที่เราอยากก็เลยต้องมาทบทวนดูในทะี่สุก็บออ๋อทิ้งพุโทโธไปก็เลยกลับมาจารันพุโทโธทั้งวันทั้งคืนเลยในยที่สุดท่านก็กลับเข้าสู่สมาธิได้พระอาจารย์ครับหลวงตาใช้พุโทโธพุโทโธไม่เกี่ยวกับลมหายใจเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ ก็ท่านถ้าท่านลอยฝั่งแต่นั้นก็ท่านใช้พุทโธอย่างเดียวแต่ท่านก็เคยสอนเรื่องอานาปานสติเรื่อหายใจเข้าคือกานเข้าสมาธินั้นมีหลายหลากหลายวิธีบางทีก็ใช้พุทโธบางทีก็ใช้ลมบางทีก็ใช้ปัญญาปัญญาวิเคราะห์ใจทำไมไม่ยอมสงบฟุ้งซ่านเรื่องอะไรแล้วก็พิจารณาหาสาเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่าน แล้หยุดสาเหตุนั้นได้ใจก็จะสงบได้ใจอาจจะไม่สงบแบบรวมอาจจะสงบเพื่อที่เราจะได้สามารถากลับมาดูลงเรือกลับมาบริกรรมพุโทโธได้การนั่งสมาธิเอียงต่อเนื่องทำให้เกิดผลดีอย่างไรครับก็เราจะได้สงบได้ง่ายได้นานได้บ่อยเหมือนกราทางานทาอะไรบ่อยๆเราก็จะชำ น, นาญเช่นพิมพ์ดี ออนที่เราหัดเพ่งเนยียนใหม่ ๆ, ๆนี่เราก็ต้องจิ้มทีอันเดียวทีอันเดยวแต่ถ้าเราขยันจิ้มอย่เรื่อทำายเรื่อยๆจะเมันจดจำได้เราไปเราก็เพ่งสัมผัสได้การเข้าสมาธิบ่อยๆต่อไปเราก็พอนั้งหลับตาปุ๊บมันก็เข้าไปได้เลยถ้าเราชำนาญคุณมกครับตั้งใจจะทำบุญครบรอบหนึ่งปีที่คุณพ่อเสียชีวิตขอคำแนะนำว่าควรเตรียมของทาบุญอะไรบ้างครับ ก็ทั้งของที่คนเขาของคนที่เราให้เขาเขาอยากจะใช้เลยเปเอาไว้ให้เของที่เขาไม่ใช่เงี้ยมันก็เลยวันนี้ก็พูดเรื่อยๆนะมีสังฆทานแล้ยกวสังขยาเพราะมีของที่ทางร้านเขาจัดขึ้นมาใส่ถุงใส่ห่อสีเหลืองเลยซึ่งเป็นของแต่ชิ้นแต่อันนี้คนคนรับไปนี่เท่าจะไม่ได้ใช้เลยปลากระป๋องอย่างนี้เทียงหนึ่งดอกดอสี่พัน แต่ไม่มีคุณภาพใช้ทำนองเนี่ยหรือของที่ขายมันขายราคาถูกได้ไงเพราะคนซื้อมังที่เขาไม่มีรายได้มากเขาว่าอยากจะซื้อของถูกๆทาบุญแต่มันไม่เป็นประโยชน์ของที่ใช้ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาก็เลยต้องคิดถึงตัวเราเวลาเราจะให้ของขายเราเราซื้อของขห้เราอย่างไรคนจะซื้อของอย่างนั้นให้กับคนอื่นเขาถ้าก็เป็นเหมือนเราหลถ้าก็ต้องใช้สบู่เหมืนกันใช้แปรงสีฟันเหมือนกัน ใชอะไรที่ที่จําเป็นประจําวันเนี่ยมันก็มีของคล้ายๆกันอยู่ที่เราสามารถถวายได้ของดื่มของฉันเนีก็ดื่มฉันมันกับเราเอนี่นก็ดื่มกาแฟได้น้ําชาได้เอเครื่องอัดนมได้แล้วน้าผลไม้ได้มันมีเยอะแยะไปหมดถวายได้ทั้งหมดแต่ถวายให้เป็นของที่เขารับแล้วเขาจะได้ไปใช้ได้อย่าไปซื้อของแบบเออ่ คือแบบขอไปทีอนยะ่างเงี้ยะครขอจัดจดไปช่วยจัดให้หน่อยร้านค้ามว่าสบายใจมันก็จัดของเสื่อมคุณภาพมาให้เพราะเพราะคนคนซื้อก็ไม่ได้ใช้คนใช้ก็ไม่ได้เป็นคนซื้อคนที่รับก็ไม่ได้เป็นคนซื้ อ, ม, นนอมันก็เลยไม่รู้ว่าคนที่เวลาเราซื้อของให้คนที่เขารับนี่ยเขาจะใช้ได้หรือเปล่าอาจารย์ครับอย่างซื้อสบู่นี่เราซื้อแบบกลิ่ น, น, นอ่อนๆหรือว่าไม่มีกลิ่นอย่างงี้จะดีไหมครับดีที่สุดนะถ้าเป็นไปได้ ให้มันถูกกับพ่อไม่ในเจอความทุกข์จากการพัดพลาดแล้วตอนนี้ก็ยิ่งกลัวการพัดพลาดครับทําให้ทุกข์หนักเข้าไปอีกทําอย่างไรดีครับจะขอทำจากพระอาจารย์ครับต้องยอมรับว่าชีวิตเรามันเป็นชีวิตของการพัดพลาดจากกันเรามัอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวและวันหนึ่งเราก็ต้องออกเดินทางต่อไปถ้าเรามองโลกนี้เหมือนสถานีรถไฟกัแล้วกัน เวลาเราอยู่ที่สถานีรถไฟแเรวก็เจอคนนั้นเจอเคนนี้พอถึงเวลาขบวนรถไฟที่เราจะขึ้นออกเราก็ต้องขึ้นขบวนของเราไปทิ้งให้คนที่เราเจอในสถานีรถไฟจากกันไว้ตรงนั้นโลกนี้ก็เป็นเหมนสถานีรถไฟเรามาอยู่กันเชื่อข่าวมาเจอกันในโรกนี้เชื่อข่าวแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเชื่อข่าวเด๋ยพอถึงเวลาที่เราจะต้องขึ้นขบวนรถไฟของเราไปแล้วก็ไปคนเดียวเขาไม่ไปกันเรา เกิดความทุกข์หนักครับเนื่องจากว่าคิดถึงคุณแม่แม่แก่แล้วอายุ86ปีเพราะต้องออกมาทํางานต่างจังหวัดครับอาจานก็ทามวยเราทุกข์เราทำอะไรได้หรือเปล่าทุกข์เพราะอะไ ร, รต้องหาสาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกลัว่าท่านตายนะี่ยแล้วเราห้ามไม่ให้ท่านตายได้หรือเปล่าต้องใช้ปัญญามีข้อนหนึ่ง คนใหญ่ก็กท่ า, า, ทาจะตายกลที่ท่านจะจากเราไปแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากเราไปแต่เราก็ห้ามไม่ได้คนเราเมื่อถึงเวลาเราจะต้องจากกันแม้จะต้องจากกันถ้าเรายอมรับความจริงเราก็จะไม่ทุกข์คุณเฟื่องครับหากรู้ว่ากําลังจะขาดใจหรือใกล้ตายต้องทําจิตอย่างไรครับแต่ในทุกๆวันก็มีพุทโธพุทโธอยู่แต่บางครั้งยังมีกลัวหากเหมือนมีอาการใกล้ตายครับ ก็ใช่พุโทโธหนี้ที่สุดการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหมครับจริงเ ป, เป็นคําสอนหลักของสัพพุทธศาสนาคาือเรื่องกฎแห่งกรรมทำแล้วตายไปก็ต้องไปไปสวรรค์ไปอบายหรือเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ว่าทําบุญทําบาปใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อย หากเราต้องอยู่กับคนที่มักโกรธจะต้องทําอย่างไรครับแล้วก็ปล่อยเขาโกรธไปเราอย่าไปโกรธกับเขาก็แล้วกันไม่เฉยเฉไปนั่งรู้งไปเฉยเฉยเหมือนกเราอยู่กับมารากรอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มก็ปล่อยเขาเป็นมารากรไปแล้วก็จะอยู่กับเขาได้แต่ถ้าเราอ ย, อยากให้เขาเป็นส้มเราก็เป็นมารากรนี่เราก็จะทุกข์กับเขาทุกครั้งที่เราเจอครับ สติและปัญญาจะตามไปทุกภพไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ในระดับไหนถ้าระดับสุตตจินตานี่มันยังลืมได้แต่ถ้าระดับภาวนาไม่ย่ปัญญานี่มันจะไม่ลืมระดับที่ตัดกิเลนได้แล้วมันจะไม่ลืมมันจะฝังใจอยู่ไปตลอดมันจะไม่ทาซ้ำซากมันจะไม่ทุกข์ซ้าซาก ไปทุกกับความตายมาแล้วพอมีปัญญาดับความทุกข์ที่เกิดจากความตายนะแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความตายต่อไปเป็เกิดอีกพบที่ชาติมันก็จะไม่กลัวตายอย่างว่าโสดาบันเนี่ยยังไม่ไปไม่ถึงนิี่ปนญญาอาจจะต้องกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแต่ทุกครั้งที่ท่านมาเกิดท่านยังไม่มีความกลัวตาย ลูกอายุสิบหกและสิบเก้าครับเป็นเด็กที่กลัวผีจะสอนให้เด็กมีความเข้าใจและลดความกลัวลงจนหายกลัวผีได้อย่างไรครับก็บอกก็ว่าผีจริงไม่เราผีเอกไม่จริงผีนี่เรามีสองชนิดผีจริงกับผีไม่ไม่จริงผีจริงคืออะไรก็คือใจของพวกเราเนี่ยเวลาที่ร่างกายของเราตายหมายใจเราก็เป็นดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าผีดวงวิญญาณ น, นี่ก็จะไปเกิดตามภพต่างๆ ต, ตามอํนนนานาจบุญอํานาจบาปเขาจะไม่มาอยู่กับคนเป็น ส่วนี้ผีที่ไม่เป็นผีจริงก็คือผีเหล่าผีเหล่านี้ก็คือใจเราไปคิดถึงมันเองสร้างสร้างผีขึ้นมาเองเวลาที่เราไปอยู่ที่เปลี่ยวเปี่ยวนะรู้สึกหวาดเสียวขึ้นมาหวาดกลัวขึ้นมาแล้วที่เราพอได้ยินเสียงว่าผีมาแล้วเห็นอะไรไห้หน่อยก็ว่าผีมาแล้ววิธีที่จะแก้ผีปลอมนี้ผีเหล่านี่ก็คือให้เราสวดมนต์ไปทาไมเด็กเราเคยเคยเจอผีแบบนี้มาก่อนเราเจอป้าก็สวดมนต์ไปเลย ใจก็สงบหายกลัวแล้วก็นอนหลับแต่ตอนตอนเด็กๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ตอนเด็กๆครผมพอดีขึ้นหน่นอนแล้วเสึยงมีสิยงกุกกักุกกะกกเาเอรขึ้นมาก็เลยนึกได้สวนมนดีกว่าพอเสือไปทัาก็หลับไปนะ เมื่อพ่อตายไปแล้วคิดถึงพ่อมากจนร้องไห้ถือว่าผิดไหมครับหรือว่าเป็นกรรมที่เคยทําให้พ่อไม่สบายใจตั้งแต่พ่อยังอยู่และควรทําบุญยังไงให้บุญไปถึงครับเพราะมันเป็นความอยากของเราอยากให้พ่ออยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้ท่านตายอย่างเราไปพอท่านจากเราไปเราก็เลยทุกข์เราก็เศร้าใจท่นเองส่วนการจะทําบุญนี่ก็ทําได้ทําบุญชัยบาลเนี้อทำบุญอะไรเรียกว่าทาน แล้วเราก็จะสามารถอุทิศบุญที่เราเกิดจากการทําทานนี้ให้กับผู้ลงลับไปแล้วได้ถ้าเขารับอยู่เขาอาจจะเลื่อนขั้นนั่นพบของท่านให้ขึ้นไปเป็นสวรรค์ได้ถ้าฝึกจิตรู้สึกตัวบ่อยๆเวลาหลับลึกและฝันไปจิตจะตื่นรู้สึกตัวในฝันตอนหลับไหมครับก็ต้องดูดูเอาเองก็แล้วกันอันนี้ไม่สามารถที่จะตอบได้ ขอโอกาสเรียนถามครับผมตั้งความปรารถนาว่าหลังจากตายไปจะขอไม่มีกายอีกไม่ทราบว่าการไม่มีกายนั้นจะสามารถภาวนาต่อไปได้ไหมครับพเวลาตายไปมันก็มนมนมนมนไม่มีกายอยู่แล้วถ้าเราเรียนนินสัยภาวนาเราก็ภาวนาต่อได้แต่เราต้องเป็นพระระดับโสโดามาขึ้นไปมันก็จะไปโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นยังเป็นปุถุชนอยู่เราจะต้องไปฟังเทศน์สั่งทำจากพระอาหารหันต์เช่นหลวงปู่มัน่นเป็นพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมมาปวดกายทิพย์ต่างๆถ้าการทิพย์ได้ยินได้ฟังแล้ ว, ลวก็นํามาไปปฏิบัติตามก็ยังปฏิบัติตามได้อยู่เจริญสติก่อนควบคุมความคิดเพราะขณะที่เป็นดวงวิญ ญ, ญาณใจก็ยังคิดได้อยู่ดวงวิญ ญ, ญาณก็ยังคิดได้อยู่ยังสร้างความทุกจากความคิดได้อยู่ พอมีสติกำกับใจให้หยุดคิดได้จิตใจก็สงบได้ไปยังสามารถภาวนาได้อยู่แต่บางทีอาจจะต้องมีคนคอยเตือนสติคอยสอนว่ามานนั่งสมาธิกันนะหยุดความคิดกันดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีใครเตือนใครสอนก็อาจจะคิดไปตามว่าอำนาจของกิเลศเมื่อเราตายแล้วสิ่งใดในขันห้าที่จะดำรงอยู่ไปในภพภูมิใหม่ครับ นามขันทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไปกับกับดวงวิญญาณดวงจิตอีกทีหนึง่งดวงจิตนี้มีมีขันทีเป็นคุณสมบัติเป็นสมบัติของของของจิตของดวงวิญญาณเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำให้จิตตกเพราะเสมือนพอเราเดาทราบสาเหตุของคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆทำให้เสมือนไม่อยากพูดคุยกับอีกฝ่ายด้วยเพราะอีกฝ่ายเองซึ่งน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับฝ่ายผู้กระทำเองไม่เคยจะปริปากว่ากล่าวกับพวกเดียวกันเลยทำให้โยมต้องอึดอัดแต่ก็พอจะเข้าใจได้เองว่าใครมันจะว่ากล่าวพวกเดียวกันเองโยมควรใช้หลักธรรมข้อใดไม่ให้จิตตกกับพฤติกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นครับ เราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นดินฟ้าอากาศคนจะตกแดดจะเอาเราหร้ามันไม่ได้คนจะเป็นอย่างนี้เราก็ห้ามก่อนไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วกันกรรมสามารถจะแก้ได้ไหมครับกรรมแก้ไม่ได้กรรมเก่าแก้ไม่ได้ต้อ ง, ต, องต้องใช้กรรมเมื่อถึงเวลาแต่เราแก้กรรมใหม่ได้กรรมที่เรายังไม่ทําถ้าเราเคย เคยทําบาปนะพวกนี้วันนี้เราจะเปลี่ยนเราจะไม่ทําบาปเราจะทําบุญนี้แก้ได้กรรมใหม่แก้ได้แต่กรรมเก่าแก้ไม่ได้เห็นพระฉันตอนวิกาลเขาจะสามารถเข้าสมาธิได้ไหมครับมันไม่อยู่ที่ฉั น, มนไม่ฉันแล้วการจะเข้าสมาธินี้อ่ที่มีสติแล้วไม่มีสติคนอดอาหารมันจะยังเข้ า, าเข้าสมาธิไม่ได้เลย ถ้าปฏิบัติโดยดูลมหายใจรู้ทันความคิดเช่น finish, <2023 S 2> นั่งสมาธิแล้วรู้ว่ากําลังคิดไปทั่วก็คิดแต่ไม่ตามแล้วมาดูลมหายใจต่อทําเช่นนี้แล้วถ้าเราจะมาเพ่งกระสินต่างๆสามารถเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่ครับเกินเพ่งลมหายใจก็เป็นก็ถือว่าเป็นเหมือนกับกระสินอย่แล้วก็อเพ่งดูลมหายใจไปอย่างเดียวก็พอเพราะการเพ่งกสินนี้ไม่เป็นกายสอนในยุปัจจุบันในท่าที่นึ่ ทาที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าจะไม่มีใครสอนเลยสอนแต่พูดโทแล้สอนแต่ดูลหมหายใจเข้าออกซึ่งก็เป็นเป็นการใช้แทนกระสินได้ทำให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ถ้ายอมรับสังขารมีเสื่อมและไม่ได้ทำประกันสุขภาพยอมรับการป่วยและการตายถือว่าเป็นการประมาทในหลักพุทธไหมครับเก็บเงินแค่ปัจจัยสี่ครับ เห็นเป็นการมีปัญญามากกว่าอยอมรับความจริงแล้วทำยังไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายสมัยพุทธกาลก็ไม่มีประกันภัยไ ม, ม่ประกันสุขภาพท่านก็อยู่กันมาได้ท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารเป็นพระอะไรกันได้กราบขอปัญญาครับอาจารย์ถ้าพ่อแม่ป่วยหนะัก ไม่รู้สึกตัวถ้าเราตัดสินใจให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจตามคําแนะนําของหมอหรือญาติพี่น้องจะถือเป็นอนันตริยกรรมไหมครับไม่ใช่อนันตริยกรรมเขเรยกอะมาตุกฆาเนี่ยเป็นการฆาตเป็นฆาตูดอื่นไ ม, ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้ทําให้เขาตายเราเพียงแต่ยุติการการใช้เครื่องมือเครื่องวัเครื่องมือในการดูแลรักษาร่างกายของท่านนั้นนี่ เวลานั่งกรรมฐานผมชอบคิดไหลไปเรื่อยเลยใช้วิธีดูสมองตัวเองว่าคิดอะไรแต่ไม่ห้ามให้คิดยังมีใช้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกก็มันก็จะคิดไปเรื่อยๆนั่นละการให้มันหยุดคิดจะต้องมีอะไรมาผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดจะให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วหยุดก็การดูลมหายใจมันก็จะหยุดคิดได้ถ้าปล่อยให้มันดูความคิดแล้วคิดกับมันไปก็คิดไปเรื่อยๆเดี่เราคิดมาตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้นะมันหยุดคิดหรือย ขอาการครับที่ว่าให้เห็นร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งคือควรวางใจหรือฝึกอย่างไรจึงจะทำได้แบบนั้นครับก็ศึกษามันกบเราเป็นแพทย์เนี่ยให้ก็ศึกษาแนวตัวนี้ศึกษาร่างกายแต่เป็นา แ, แพทย์นีงไม่ได้ศึกษาถึงถึงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการทางสองขึ้นมาว่ามาจากอะไร ทางศาสนาบอกว่ามาจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งทางเคมีมันก็บอกทางวิเคราะห์ทางเคมีมันก็บอกว่ามันเป็นธาตุทั้งนั้นใช่ไหมร่างกายเนี้ยมีคาร์บอนมีไนโตรเจนมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นธาตุทั้งนั้นอะที่มันวนตัวแล้วทำให้เกิดเป็นอาการต่างๆขึ้นมาในร่างกายเราต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ถึงจะเห็นว่าร่างกายนี้มันแค่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นเป็นธาตุ ตามภาษาของสมัยปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทางปัจจุบันว่าเป็นไฮโดรเจนเป็นออกซิเจนมีอะไรต่างๆเหล่านี้มาผสมกันแล้วก็เลยทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาเขา อ, อกาสครับทำไมตอนพระอาจารย์โดนงู ก, กัด ที่เขาชิโอนพระอาจารย์ต้องไปหาหมอทําไมไม่ปล่อยร่างกายรับวิบากกรรมไปตามธรรมชาติผมไม่เข้าใจเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าคนที่ไม่ภาวนาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ํามันแปลว่าคนภาวนาต้องทําให้ตัวเองลําบากผิดธรรมชาติมนุษย์จึงจะบรรลุมรรคผลหรือครับแล้วต้องทําผิดธรรมชาติแค่ไหนครับเช่นนั่งสมาธิตากแดดตอนเที่ยงวันโดยไม่เข้าที่ร่มหรือเปล่าครับกล่าวกั บ, บคุณูระอาจารย์ครับ มันก็อยู่ตอนที่เราอยู่ในช่วงไหนช่วงเวลาที่เราฝึกฝนอบรมเราก็ต้องทําองประมาณร่างกายอดข้าวบ้างพาไปอยู่ที่น่ากลัวบ้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วจะได้ใช้ปัญญาดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราอยู่ในภาวะปกติไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะฝึกซอ้อมเราก็ต้องดูแลร่างกายให้มันอยู่ตามปกติของมันไปเจ็บไข้เราก็ต้องกินยาถ้ากินได้เราก็กินยาไปอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา เราต้องรู้ว่าเราอยู่ในภาวะอย่างไรอตอนไหนถ้ า, าอยู่ในภาวะที่ฝึกฝนอบรมเราก็ต้องทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้ให้เรามีให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อเราจะได้ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ใจไ ด, ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่แบบในสภาพที่ปลอดภัยที่ไม่มีความทุกข์ปัญญามันก็จะไม่เกิดเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราเสียเงต้องกินยากันตอนที่เขา ท, ทดสอบวัคซีนก็ยังต้องเอาวัคซีนเนี่ยไปไปฉีดให้กับคนที่ไม่เป็นโรคใช่ไหมเพื่อกระตุ้นหรือว่าจะเกิดเกิดเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพื่อจะได้กระตุ้นภูมต้านทานความทุกข์ค่อยเกิดขึ้นในในใจของเราอีกทีหนึ่งช่วงนั้นก็ต้องทรมานร่างการด้วยวิธีการต่างๆนั่งให้มันเจ็บ หรือไปอยู่กับสถานที่ที่น่าโกลัวที่มีภัยที่อาจจะทําให้เกิดความตายขึ้นมาได้แต่ตั้งเป้าหมายเราไม่ต้องการทำร้ายร่างกายร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลส ท, ที่อยู่ในใจของเราที่เราต้องทําลายให้ได้เพราะร่างกายนี้ยังสามารถทําคุณประโยชน์ได้เช่นพระพุทธเจ้าเราอยากตัดสมุนแล้วพระองค์ก็อยากใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการแสดงธรรมอยู่ ผลิตผ้าหันขึ้นมาเป็นจำนวนเป็นหน่วยเป็นสายขึ้นมาเพราะร่างกายของพระเจ้า น, นี้่ถ้าท่านปล่อยให้มันตายไปท่านก็ไม่สามารถแสดงธรรมปวดพวกเราได้เพราะเหตุใดครับลูกศิษย์หนวงปู่มั่นภูริทัตโตยิ่งเห็นปฏิปทาของหนวงปู่ยิ่งเห็นความดีของหลวงปู่มากขึ้นมากขึ้นครับเพราะเหตุใดครับเพราะมันน่าเลื่อมใสไงเห็นคนที่ท่านทําในสิ่งที่เรายัางทําไม่ได้ มันก็ยังจะกับตุ้นให้เรามีความยินดีที่อยากจะทำตามท่านเป็นเป็นไอดอลของพวกเราพูดง่ายๆเวลาเราเห็นนักเ้อาที่เราชอบเนี่ยโอ้ยชื่นชมยินดีเวลาภาพยน์ที่เราชอบเน่ยชื่นชมยินดีใช่ไแบบเดียวกันเนะ่ครูบาอาจารย์ให้ก็เหมือนไอดอลทางพุทธศาสนา ถ้ามีคนส่งภาพไปทำบุญมาและพูดว่าเอาบุญมาฝากด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียมารยาต้องพูดตอบอย่างไรครับสาธุไปก็แล้วสาธุพราดีแล้วคว่าสาธุพรว่ดีแล้วสวดมนต์เสร็จอุทิศส่วนบุญให้ผู้ร่วงรับไปแล้วเขาทั้งหลายพร้อมทั้งสัรพสัตจะได้รับหรืออโหสิกรรมหรือได้รับส่วนบุญจากเราได้มากไหมครับ คือบุญฤที่นี่ที่มีแสดงไว้ในพระธรราละในตํำรางนี้มีชนิดเดียวคือการทําทานนะดังนั้นบุชนิดเดิมนี้ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่าอุทิศได้หรือเปล่าต้องไม่ไม่ขอตอบดีคว่าเพราะเราก็ไม่ดูจริงๆการตั้งใจฟังธรรมะกับการสวดมนต์อย่างไหนจะได้อา น, นิสงส์งมากกว่ากันครับการฟังธรรมะก็จะได้ปัญญาแล้วก็ได้ความสงบด้วยการสวดมนต์ก็จะได้ความสงบอย่างเดียว ยื่นได้ปัญญาด้วยถ้าเราสวดบทบทแปลที่เราเข้าใจความหมายก็ค่ายๆกันการฟังธรรมก็เป็นเรืองการสวดมนต์แต่เราไม่ได้สวดเองเราให้ผู้แสดงธรรมสวดให้เราฟังแทนถ้านั่งในสัตชิกแล้วง่วงเผลอหลับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยืนเดินได้จะม่วิธีการจัดการความม่วงความปวดเมื่อยอย่างไรครับยังฝึกไม่เก่งครับ ก็ยังต้องฝึกเสียถ้ายังไม่มีความเก่งพอที่จะฝึกในสัจจินได้ก็ยังยังต้องไปฝึกอันนี้สำหรับคนที่มีมีพลังเจ็ดสูงถ้ายังไม่มีพลังจิตถึงขั้นนั้นก็ยากไปฝึกก็เสียเวลาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ความโกรธความทุกข์ธรรมนี้ผมไม่สามารถดับเลยครับ นับเ่เราโกรธเดียวเดียวเดี๋ยวมันดับไปแล้วความทุกขเราทุกข์ลึกแน่นทุกข์ลึกนี้เ น, นี่ยมันหายไปแล้วมันไปไปมามากรนดับกรนดับอยู่เลยเราจะตัดผู้รู้อย่างไรครับอผู้รู้เราตัดไม่ได้หรอกผู้รู้มันมีอยู่ตลอดเวลาตัดกิเลสท่านที่เราปฏิบัติเนี้เราต้องการจะตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ เวลาเจ็บป่วยทางจใงในระยะสุดท้ายจะไม่ให้ใจไปรับรู้ความเจ็บปวดขอวิธีหน่อยครับเ่านพิธีไม่รับรู้ก็รับผูสมาธิเข้าฌานไปถ้ารับรู้เราจะให้ใจไม่ทึงขันใช่ปัญญาที่จรนาตายานี้ไพิจารณ์ว่าร่างกายต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมะปล่อยให้มันเจ็บมันตายไปรับรู้ไปแต่ใจไมนทุกข์เลถ้าปล่อยาวางได้ จะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราถึงพระโสดาบันแล้วเมื่อเราไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บนะไม่กลัวโลอกอะไรขอโอกาสครับพระอาจารย์ช่วยขยายความแตกต่างที่ชัดเจนในส่วนการกระทําของภาวนามยปัญญากับจินตากับฟังช่วงต้นแล้วไม่เข้าใจครับจินตานก็คือการพิจารณาทำเช่นพระเจ้าสอนให้เราคิดถึง เมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาสอนใจให้เราให้เรายอมรับแต่ใจเรายังอาจจะทุกข์อยู่กับเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ได้เพราะเรายังไม่มีสมาธิถ้าเราคิดแล้วจะทาให้ใจเราไม่ทุกข์ได้เราต้องเข้าสมาธิฝึกสมาธิก่อนให้เจ็ดนโ้อเบคหาก่อนแล้วพอเราออกจากสมาธิมาเราก็าคิดแบบเดิมอีกแล้วทีนี้ใจเราจะไม่ทุกข์กับความคิดแล้ว ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราทําใจได้หยุดคําอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้มันต่างกันตรงนี้อ่างต่างระหว่างมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิมันเรียกว่าเป็นจิตตามายาปัญญาอยู่ถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะเป็นภาวนาะมนยาปัญญา ครับเรียนถามครับจะแบ่งสัดส่วนการวิปัสสนากับการทําสมาธิไปให้พอเหมาะพอดีเพื่อให้ปัญญาเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆได้ครับอ๋อเบื้องต้นเราต้องเอาสมาธิอย่างเดียวก่อนทําให้เต็มร้อยเลยอยากเพิ่งไปที่ขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาเพราะยังไปไม่ได้ยังไปแล้วทําประโยชน์ไม่ได้ต้องทําสมาธิให้เต็มร้อยก่นอนทำให้สมาธิเต็มร้อยแล้วจะนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็เอามาใช้เจริญปัญญาได้ นี่อ จ, จะใช้ปัญญา 80% แล้วเวลาปัญญาเริ่มฟื้นจิตเริ่มฟื้นเราก็กลับเข้าสมาธิทั้ง 20% ไปภับจิตด้ยนแล้วพอภาพข่ายฟุ้นแล้วก็ออกมาพิจารณาทางปัญญาอีกจนกว่าเราจะปล่อยวางทุกกับความอยากที่สร้างขับทุกข์ให้กับเราได้เรานำหลักอนิจจังมาใช้เมื่อเกิดทุกข์เราต้องใช้ความอดทนรอให้ความทุกข์หมดไปใช้ปัญญาพิจารณาใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอเราพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราทุกข์คือเช่นสมบัติเงินทองของเราเนี่ยเราทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นของเราแล้วเรามีคนอื่นเข้ามาโกงเราไปเราก็ทุกข์ทุกข์เพราะเราเรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นอันนี้จังมันของไม่เที่ยมมันไม่ได้เป็นของของเราแล้วมันกลายเป็นของคนอื่นแล้วมันไม่เที่ยมแต่เรายังอยากจะให้มันเป็นของเราอยู่มัาก็เลยทาให้เราทุกข์ เพราะเราพิจารณาว่าตอนนี้เงินทองที่เราสูญเสียไปนี่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเราอยากปอยากให้มันกลับมาเลยเพราะอยากให้มันกลับมามันก็ไม่กลับมาอยู่ดีเนี่ยพิจารณาเงินทองเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้ามันจะจากเราไปเราก็ต้องยอมรับยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงแน่ใจเราก็จะหายถุก ไม่ว่าจะเรียนธรรมะหรืออ่านพระไตรปิฎกแค่ไหนท้ายสุดก็ต้องมาลงตรงการปฏิบัติเห็นจิตในจิตใช่ไหมครับก็ต้องเห็นสมาธิก่อนนะต้องควบคูจิตให้ลงเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเห็นกายเห็นเิจณ า, าเห็นจิตว่าเป็นไตรลักษเห็นนนสัยทุกขังอนาตาเมื่อเราสดมนเราเกิดสมาธิเกิดความสงบทาให้เรามีความสุข แสดงว่าได้รับผลบุญหรือที่เรียกว่าอานิสงฆ์ของการสวดมนต์ใช่ไหมครับใช่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันรู้สึกสงบแต่ทําไมนั่งสมาธิแล้วฟุ้งเยอะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่มีสติกํากับใจเหมือนตอนที่เรานั่งตอนที่เราสวดมนต์ไงเวลาสวดมนต์นี้เรามีสติอยู่กับการสวดใจเราเลยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็ไลยสงบแต่พอเรามานั่งสมาธิ เราไม่มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้คิดเนี่ยมันต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้คิดเช่นต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจมันถึงจะสงบได้การฝันเห็นพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าจิตของพ่อยังระลึกถึงเราอยู่ครับมันก็อาจจะเป็นเป็นไปได้หรืออาจจะไม่เป็นไปได้ก็ได้าอาจจะคิดถึงท่านแล้วแล้วก็ฝันถึงท่านได้เหมือนกันถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็อยันไปไป ไ ป, ไปว่าเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นเป็นย่งไห น, นเหมือนกันแน่อันจะเป็นพราะความคิดถึงของเราเราอะไรฝันถึงท่านเนื่อยจะท่านอาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้สัญญาการจําได้หมายรู้จะเป็นอุปสรรคในการเจริญปัญญาหรือไม่ครับคือสัญญาคือความรู้เก่าไงความรู้เก่าไวา้ ก, ไ ก, ก็มันก็เป็นตัวที่มันเป็นปัญหาเราไม่เห็น อนิจจังทุกข์ขันอนัตตาเรากลับไปเหนเ็นว่าทุกอย่างเป็นสุขขังอัตตา<ม>เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราต้องมาแก้สัญญานี้เปลี่ยนให้มันไปเห็นให้เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังธอนัตตาแทนมันเป็นตัวปัญหาแล้วสัญญาเก่านี้เป็นตัวปัญหาจําผิดไงอย่างคุณหมอชื่ออย่างหนึ่งต้องต้องเป็นคําจําำมาคุณหมอไม่ได้ชื่อนี้คุณหมอชื่ออย่างนี้แต่เวลาเรียกกัจะได้รู้เรียกไขร ใ น, นกระบวนกันสัญญาเก่าวของเรามันไม่ดีมันไม่ถูกมันเห็นทุกอย่างว่าเป็นนิจยังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็เป็นสุขหเห็นหนามนต์สนเสริญก็เป็นสุขอยากจะได้ขึ้นมาแต่ความจริงถ้าเราวิเคราะห์ด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถือว่าไม่เที่ยงถือว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราไม่สามารถควบคุมให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไป เพราะมันจากเราไปเราก็จะทำให้เราทุกข์อันนี้คือปัญญามาแก้สัญญาแก้ความจำเก่าที่ผิดเข้าใจว่าสังขารไม่เที่ยงเข้าใจตายรักแต่มีการดูแลรักษาสังขารบ้างด้วยความไม่อยากให้ลำบากตัวเองตอนอายุมากขึ้นและลำบากคนรอบตัวถือว่าเป็นกิเลสไหมครับ ก็เป็นหน้าที่ถ้าเรามีร่างกายที่เราเลี้ยงดูลเลี้ยงดูรักษาตามอัตภาพนะอย่าไปเลี้ยงดูด้วยด้วยความอยากคือเลี้ยงมันไปตามมีตามเกิดพวกอนี้อย่าไปทุกข์กับมันถ้าเลี้ยงแบบทุกข์กับมันนี่แสดงว่าเป็นกิเลสนะอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพอมันจะตายแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเลี้ยงดูไปตามอัตภาพมันอยู่ได้ก็อยู่ไป มันจะเจ็บก็รักษาไม่ได้ก็รักษาไปถ้ามันรักษาไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปท่ า, านี้ไม่เป็นกินเลสถ้าเราฝึกสติปัฏฐานจิตในจิตโดยเราตามรู้จิตทุกขณะที่จิตเป็นโดยผู้ดูไม่ใช่ผู้เป็นตลอดทั้งวันแบบนี้ถือว่าเป็นการฝึกวิปัสสนาไหมครับโดยไม่ได้ฝึกเต็มรูปแบบแต่ตามรู้จิตที่เกิดขึ้นระดับไปแบบนี้เรื่อยโดยไม่ทุกขับ มันต้องเหมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนก่อนก่อนที่จะไปดูจิตได้เราต้องปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิตอีกทีหนึ่งเพราะจิตมันเป็นทับที่ละเอียดกว่าปัญญาสติปัญญาถ้าเรายังปล่อยกายไม่ได้ปล่อยเวทนาไม่ได้เนี่ยเราจะไม่มีสติปัญญาระดับที่จะไปดูจิตได้พระอาจารยหนังสอนให้เป็นทับเป็นขั้นเป็นตอนให้ดูดูกายดูเวทนาะแล้วปล่อยวางให้ได้ก่อน และการจะปล่อยวางกายเวทนาได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อน่านจะมีสมาธิก็ต้องต้องฝึกสติให้ได้ก่อนต้องให้เป็นสติผูกอยู่กับร่างกายให้ได้ก่อนงั้นเบื้องต้นให้ดูกายก่อนนะครอย่าเพิ่งไปดูจิตจิตมันละเอียดกว่าอยู่ไปก็ทําอะไรมันไม่ได้แม่กับพี่สาวของสามีสร้างปัญหานี้สินจํานวนมากไม่อยากรับรู้ไม่ช่วยเหลือ แบบนี้ไม่กระตันอยู่ไหมครับก็แล้วแต่ก็มีพระคุณกับเราหรือเปล่าถ้าก็ไม่มีพระคุณอะไรกับเร า, ก, าก็ไม่ต้องมีความกระตันอยู่ก็ได้แต่ถ้าก็มีพระคุณกับเราเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านนะครับสำเนึ่งในบุญคุณของของท่านเวลาคิดไม่รู้ตัวเวลารู้ตัวจะไม่คิดทําให้รู้ตัวจริงไหมครับ ก็วเวลารู้ตัวมันก็มันก็หยุดคิดเนี่ยเพราะเรามีสติพอเราเปสติมันก็คิดต่อเหมือนเหมือนยาแบะถ้าเรายามเฝ้าเฝ้าเฝ้านักโทษไว้ถ้าถ้ายากค่อยนเฝ้าอยู่นักโทนนักโทนมันก็ทำหนีไปไหนไม่ได้แต่พอยามหันไปทําอะไรอย่างอื่นปั้มไม่ได้ดูนักโทษนักโทนมันก็หนีไปได้ การพยายามรักษาศีลแปดโดยไม่ได้สมาทานได้ไหมครับได้รักษาไปเลยอยากจะรักษาศีลเท่าไหนก็รักษาไปเลยฟังเทศจากพระอาจารย์นั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนจะทำให้มีปัญญาถึงขั้นพ้นจากความทุกข์ได้ไหมครับไม่ได้หรอกปัญญาไม่เกิดเลยปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ ปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์อย่องที่เมื่อกี้ได้สแสดงไว้สาสามขั้นด้วยกันเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดจากการพิจารณาแล้วก็เกิดจากการเจริญสมาธิควบคู่กับการเจริญปัญญาถึงจะจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้กับพระอาจารย์ครับ เหตุการณ์ที่พระอาจารย์โดนงูกะปะฉกที่เท้านั้นเป็นเวรกรรมหรือเพียงเพราะจังหวะไม่ดีและช่วงเวลาที่พิษงูทํางานพระอาจารย์ใช้สมาธิระดับใดในการดับความเจ็บปวดครับเพราใช้สติฮใช้สติอย่าอย่าไปอยากให้อาการเจ็บปวดนั้นหายไปปล่อยมันเจ็บปวดไปแล้วก็ดูมันไปส่วนมันจะเป็นสาเหตุอย่างไรนี้ก็มันจะเป็นสนใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ สิ่จะต้องรู้ก็คือวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นว่าเราสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกกับเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่านคนเราถ้ามีอายุถือว่ามีบุญใช่ไหมครับไม่แน่ไม่มีบุญคนเราต้องมีอายุแล้วต้องไม่ต้องไม่มีทุกข์ถึงจะมีบุญถ้ามีอายุแล้วแต่มีทุกข์นี่แสดงว่ามีบาปมีกิเลส หากเราทำบุญไปไหว้พระร่วมกันกับบุคคลใดชาติหน้าจะเกิดมาเจอบุคคลนั้นไหมครับไม่แน่นอนอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเจอก็ได้อาจจไม่เจอก็ได้ถ้าเราไปปฏิบัตินั่งสมาธิในสวนที่เรามีโดยเอาต้นเอาเต็นท์ไปกลางแล้วนั่งสมาธิจะได้ผลดีไหมครับลองทำดูเลย เหตุการณ์เคนถล่มน้ำท่วมมีหมอดูบอกว่าเกี่ยวข้องกับดวงผู้นำประเทศฟังแล้วเหมือนกับให้ประชาชนเกิดความกลัวภัยพิบัติต่างๆจะเกี่ยวข้องกันไหมครับตมักธรามแล้วถือว่าเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆเมื่อมีปัจจัยพร้อม ท, ที่จะให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นการสอบถามเราสามารถ กราบสอบถามเราสามารถถวายวิตามินบำรุงให้พระได้ไหมครับได้เยาสามารถถวายได้คำว่าสิ้นคิดคืออะไรครับคำว่าสิ้นมาจบใช่ไหคิดก็จบความคิดก็แสดงว่าไม่คิดอะไร เราควรพยากรณ์ดวงชะตาดีไหมครับในแต่ละปีครับดวงชะตานี่มันถ้าจะพยากรณ์ต้องพยากรณ์ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเมื่อเราเกิดมาเราจะต้องแก่เจ็บตายอันนี้เป็นของจริงของแท้อย่างอันนี้เป็นของไม่แน่นอนไม่เทียงแท้แน่นอน หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นแล้วความดันวัดไม่ได้ถือว่าร่างกายไม่มีความรู้สึกแล้วใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องถามคุณหมอแล้วเรื่องของร่างกายครับเราไม่ควรเจริญปัญญาในขณะนั่งสมาธิแล้วจะฝึกภาวนามายปัญญาได้อย่างไรดีครับก็ตอนออกจากสมาธิไงออกจากสมาธิออาาธแล้วก็พิจารณาไปรักไปเรื่อย อันนี้ก็ทำรอบกันไม่ได้สมาธิกับปัญญานี่มันขัดกันไงเหมือนน้ําร้อนกับน้ําน้ําเย็นนี่มารวมกันไม่ได้ต้องแยกออกถ้ามันรวมกินก็มันก็ไม่เป็นน้ําร้อนไม่เป็นน้ําเย็นครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาจะนั่งสมาธิเราต้องการให้ใจนิ่งเราก็เรก็ไม่คิดแต่เวลาเราต้องการปัญญ า, าปัญญาความรู้เราก็ต้องคิดอันนี้มันขัดกันทำคนละช่วงกัน ถามขึ้นมาพดีครับว่าอาจารย์บกว่าการฝึกสมาธิเหมือนการพักการเดินปัญญาคือการฝึกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่การเดินปัญญาเป็นการทํางานเหมือนการเข้าสมาธิเป็นการพักผ่ อ, อนของจิตถ้าถูกเพื่อนบ้านเอาเปรียบอยู่บ่อยๆแต่ไม่กล้าพูดตรงๆเพราะไม่อยากมีปัญหาหรือรู้สึกไม่ดีกับเขาเพราะกลัวมองหน้ากันไม่ติดแต่ก็รู้สึกเจ็บใจเอามาคิดวนทุกครั้งที่โดนเอาเปรียบ เราควรทำอย่างไรไม่ให้คิดมากครับก็ ค, คิดว่าเป็นในเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วกันเป็นเหตุการณ์ต่างๆมันกัะเด็นฟ้าอากาศไปต้องผัดอยู่กับมันไปคุณประพาดบอกว่าฟังธรรมะพระอาจารย์สุชาติแล้วฝึกตามคลิปสี่ปีผลที่ได้คือโลกโรกรธเกลียดลดลงมากผมเย็นลงอย่างนี้ผมมาถูกทางไหมครับ ถูกทางแล้วการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเป็นการเป็นกรรมที่แตกต่างกันไหมครับมันไม่ไม่แตกมันเป็นเรื่องของความไม่เทียงแท้แน่นอนของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเรามีเหตุมนีนปัจจัยที่มันอาจจะทําให้เราตายแบบนั้นแบบนี้ได้การทําบุญลงศพดีไหมครับ ก็ดีจะได้มีเวลาคนตายที่เขาไม่มีญาติไม่มีเงินซื้อโรงศพก็จะได้ใช้ลรงศนั้นได้ถ้าฝากเงินทําบุญกับเพื่อนแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลได้อย่างไรและตอนไหนครับก็ตอนที่ให้เงินเพื่อนมาถจงเราจะทําบุญแล้วชอบกังวลไปในอนาคตเราต้องทําอย่างไรครับ ก็ต้องยอมรับความจริงของอนาคตว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะาห้ามันไม่ได้พระอารหันต์ท่านอยู่จุดเดียวกันทั้งหมดไหมครับไม่หลวจิตของท่านก็อยู่ในโลกเท็จเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ท่านไม่มีขนาดเหมือนร่างกายท่านจะต้องมีที่อยู่ท่านเป็นความว่างจิตโฉนดทุกคนเป็นความว่า ตอนเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนกันและชอบทำบุญรักษาศีลไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นเดียวกันจะจํากันได้ไหมครับคนที่ทําหลักฐานให้ผู้อื่นโดนคดีความต้องจองจําและเสียทรัพย์สินผลจากการกระทําของบุคคล น, นี้จะย้อนกลับไปที่ตัวเขาเช่นเดียวกับที่เขาทํากับผู้อื่นไหมครับการต้องกลับมาวันใดวันหนึ่งข้างหน้า อยากจะทราบวิธีดับความโกรธครับช่วงนี้เข้าวัยทองครับมีอารมณ์แปรปรวนครับความโกิจากความอยากของเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธวิธียังไม่โกรธก็คือใช้สันโดษไอยินดีตามมีตามเกิดยังไงก็ได้โทาชมเราก็ได้เขาด่าเราก็ได้แล้วเราก็จะไม่โกรธ มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรครับมาก็มามือเปล่าไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เกิดมาเพราะแรงกรรมที่ต้องชดใช้หรือเปล่าครับเกิดมาเพราะแรงของตันหาวความอยากความอยากจะหาวครับสุขจากราบยศสรรเสริญจากยุ่เสียงกลิ่นแล้วก็เลยพาให้ต้องมามีนั่งกายเป็นเครื่องมือถ้าเรา ด่าใส่แก๊งค c เซ็นเตอร์ด้วยคำหยาบคายเพื่อให้คนนั้นหยุดการกระทำแบบนี้เราบาปไหมครับบา ป, เ ป, ปาเป็นคำบาจาที่ไม่ควรจะพูดคำหยาบ ก, การไปงานแต่งงานแล้วเราใส่ซองเงินช่วยงานเจ้าภาพกับไปงานศพแล้วเราทําบุญช่วยงานศพถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันไหมครับเราได้บุญไหมครับเหมือนกันได้บุญเหมือนกัน คนเข้ามาฟังธรรมะน้อยเพราะคนส่วนใหญ่ไปหาเสพรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมครับใช่คุณแม่บอกว่าเลยหนึ่งร้อยวันน้องชายที่เสียไปแล้วให้หยุดไปใส่บาตรลูกควรทำอย่างไรดีครับไม่เกี่ยวกันนะเพราะคนตายนี่ดวงิญญาณเข้าไปไหนแล้วเราก็ไม่รู้เราจะทำบุญวันไหนให้เขาก็ได้่วนเขาจะมาล่ำหรือไม่ก็อยู่เนเรื่อง เันไม่ของเขาเราไม่รู้ช่วยของเขาแต่ถ้ า, าอย่ากจะทําหน้าที่ของเราเราก็ทําบุญตั้งแต่อุทิศไปให้กับเขาไปผู้รู้กับผู้คิดรวมกันแบบกลมกลืนเราฝึกสมาธิเพื่อหยุดตัวคิดใช่ไหมค ร, าารับอาจารย์เบริ่มต้นก็หยุดตัวคิดก่อนแล้วต่อไปก็ควบคุมความคิดให้คิดไปในทางที่เป็นกุศลให้คิดไปในทางที่ดับความทุกข์ ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์และมีงานประจำต้องทำนอนน้อยมากต้องตื่นตามแม่โทรสัเกิดบ่อยมากครับบางทีก็ระงับอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่มีตะหวาดแม่ไปบ้างและรู้สึกผิดรู้ว่าความกระตันอยู่เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็กลัวบาปทางวาจาที่เก่อกราบขอพระอาจารย์ชี้แนะการวางใจครับก็เราต้องคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ท่าน นใยญ่มาคิดว่าเป็นเจ้านายท่านถ้าเราเป็นคนรับใช้เนเราก็จะไม่กล้าไปบอกเจ้านายให้ทําอะไรเราก็จะรอรับคําสั่งจากเจ้านายเพียงย่เดียวทำตัวให้เป็นแจ๋วว่าผู้งายๆเธอมานี่นี่นะจ้าจ้าทำแบบนี่ให้หน่อยนะจ้าจ้ไม่ต้องไม่ตทำอไม่ต้องไปสอนไม่บอกว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นี่เราไปเป็นเจ้านายเขาละ การนั่งสมาธิภาวนาเจริญปัญญาปฏิบัติธรรมก็จะช่วยทำให้ขันธ์สี่ที่จะไปกับจิตเราดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ก็สังขารก็จะคิดไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อคิดไปในทางที่ดีเวทนาคือความสุขก็จะมีมากขึ้นคนเราเกิดมาเจอกันมิใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับเพราะมันน่าเหตุปัจจัย มีเหตุตัดใจที่ทํามไมา้เจอเกันมันก็เจอกันพระอาจารย์ครับมีปะัะไตยปิฎกกล่าวไว้ไหมครับว่าจะประกอบกรรมอย่างไรให้เกิดมาแล้วสวยหล่อครับก็เกิดจากการทําบุญทําทานในอดีตชาติเนี่ยถ้าเราทําบุญทําทานในอดีตม า, มากส่วนห น, นึ่งของข้อนิสสของบุญก็คือเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีรูปหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสวยงามต่างคนที่ทําบาป คนที่ท้าบามากเกินมักจะมีหน้าตาที่ไม่สวยไม่ไม่สวยไม้ผิวพรรณไม่ผ่องใสเคยดูเพจพระที่บวชไม่ถึง5้า0รรษาแล้วตั้งวัดเป็นเจ้าสำนักสอนธรรมะโดยอ้างว่าบรรลุธรรมแล้วแบบนี้มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากที่ศรัทธาเชื่อถือได้ไหมครับก็ต้องไปพิสูจน์อยู่ไปไปไ ป, ไปอยู่แล้วก็ไป ดูว่าทาที่ท่านสอนเราสามารถเอามาปฏิบัติแนละ้วทำให้เราหลุดพ้นได้หรือไมตอนที่พระอาจารย์อยู่วัดป่าบ้านป่าใหม่ๆพระอาจารย์พอจะรู้เรื่องการเข้าฌานไหมครับหรือว่าพระอาจารย์ขอแต่นั่งสมาธิจนสงบเหมือนตอนอยู่คนเดียวที่เป็นคารวาสครับนั่นเลาก็คือการเข้าฌานสมาธิก็คือฌานคาว่าสมาธินี้เป็นคำคำคำรวมคือความสงบของจิต คำว่าชานี้เป็นแบบขั้นของความสงบเป็นขั้นขั้นไปสงบ้ากสงบน้อยชานขั้นที่หนึ่งก็จะสงบน้อยกว่าชานขั้นที่สองขั้นที่สามก็จะสงบมากขึ้นไปตามลําดับของของหมายเลขของชานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโยมปวดท้องรุนแรงมากนึกถึงคําสอนพระอาจารย์ไม่โฟกัสที่ความเจ็บปวดแต่มีสติอยู่กับลมหายใจ รุ่งเช้าไปพบหมอคุณหมอบอกว่าไส้ติ่งแตกต้องผ่าตัดด่วนแต่แปลกใจทำไมคนไข้ยังอยู่ในสภาพที่ดีครับจิตใจไม่วุว่นวายไม่เครียดคนที่พาหลงงมงายมีฤทธิ์ปลุกเสกเลขยันและเข้าใจว่าตนเข้านิพพานได้โดยมีวิมานสรุปนิพพานเป็นดินแดนจริงๆเลยครับรอาจารย์ นิพพานเป็นจิตที่สาอาดบริสุดถ้าเราสามารถซักฟอกจิตใจเราให้ปราศจากความโลภความโกรธความลหลงได้จิตของเราก็เป็นนิพพานขึ้นมาการโกรวดน้ําสามารถจะกรวดน้ําให้คนเป็นได้ไหมครับถ้าเราอยจะให้คนเป็นมีความสุขเราไม่ต้องกรวดน้ําไม่ต้องทําบุญนะเราเข้าของไว้ให้เขาแทนเงิน ท, ที่เราจะไปทําบุญนี้เอาไปให้เขาเลย เขาจะได้รับความสุขจากการให้เงินให้ทองของเราดูแลพ่อแม่ชาราเพื่อทดแทนบุญคุณตามหน้าที่ลูกบางครั้งก็เหนื่อยจึงพยายามพูดให้น้อยเพื่อไม่ให้เผลอพูดไม่ดีครับอาจารย์กจริงเราต้องยินดีกับการได้เดูพ่อแม่นี่ยถ้าเราคิดถึงเวลาที่เราเป็นเด็กนี่พ่อแม่เลี้ยู่เรามาขนาดไหนเราก็พยายามนึกถึงเวลาที่ท่านทําคุณประโยชน์ให้กับเรา จะทำให้เราอยากจะทำด้วยความรับด้วยความยินดีแต่ถ้าเราไม่คิดถึงบุญกุลของท่านของท่านไม่คิดถึงการเจริญศรัของท่านน่เราก็อาจจะทำโดยไม่มีความรู้สึกยินดีก็ได้นางฟ้าเทวดาสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ในโลกมนุษย์ได้ไหมครับอยู่คนละโลกกัน พวกนี้ก็อยู่โลกทิพย์ก็เป็นกายทิพย์พวกเรายัางมีร่างกายเป็นกายยามอยู่อยู่คนละโลกกันก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนครับได้ทุกบทนะครับแต่เราอยากจะสวดบทไหนก็สวดได้นั่งสมาธิแล้วสวดมนต์อยู่ในใจไปด้วยได้ไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งของการนั่งสมาธิถ้าไม่ดูลงแม่พุโทโธก็ต้องสวดมนต์ไป อย่นั่งเฉยๆอย่านั่งแลาวปล่อยให้ใจคิดนั่งแล้ต้องมีอะไรผูกใจไม่ให้คิดถ้าไม่สวดมนต์ก็ต้องดูงลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ดึงลมหายใจเข้าออกก็ต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งว่าใจก็จะสง บ, บได้เราใช้วิธีอยู่กับรู้ไปเรื่อยๆสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าบวชที่วัดอื่นแล้วจะไปศึกษาธรรมกับพระอาจารย์ได้ไหมครับวันนี้ถ้าจะมาอยู่ต้องมาขออนุ ญ, ญาตจากเจ้าอาวาสเราไม่สามารถอนุ ญ, ญาตให้ได้เลยด้วยตนเองต้องไปขออนุ ญ, ญาตเจ้าอาวาสก่อนชอบไปปิดทองฝังลูกนิมิตช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรเอาโหสิกรรมให้บ้างได้ไหมครับถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรนี้เราไม่รู้เขาเป็นใคร การทำบุญนี่เราสามารถอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณได้สวนดวงวิญญาณนั้นก็จะรอรับหรือไม่เราก็ไม่รู้อยากขอให้พระอาจารย์แนะ น, นําหนังสือธรรมะที่คารวะควรจะศึกษาครับก็มันมีเยอะแยะไปหมดนะครับท่านอยากจะศึกษาธรรมะที่หลวงตาบาบาบัวท่านเขียนขึ้นมาก็มีสองเล่มธรรมะพื้เริ่มต้น ก็คือประวัติของหลวงปู่มัน่นแล้วก็ปฏิปทาของพ ร, ระทุนลงกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นของเรื่องนี้ก็คิดว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการปฏิบัติของสายพระสายวัดป่าได้อย่างดีสติและสมาธิจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติหรือไม่ครับก็ติดไปตามจานวนที่เราเ ท, ท่ า, ท, า, ท, าที่เรามีอยู่ มีปลวกขึ้นบ้านเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรได้บ้างครับไม่รู้ไม่รู้สึกจะบาปถ้าถ้าไม่ทําก็คงอยู่ไม่ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรารู้ว่ามีบริษัทกําจัดปลวกเขาให้ บ, บริการแล้วก็ไปไปติดต่อเขาดูแต่เราอย่าไปเรียกเขามาทําให้เราให้ก็อาสามาเอง โดยาเราไปบอกให้มาช่วยกำจัดปลวกให้ไหนเราก็บาปด้วยทําเองก็ดีหรืสั่งให้ผู้อื่นทำให้เราก็ก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกันแต่ถ้าเขามาด้วยความความยินดีเพราะเขาเป็นอาชีพของเขาเนี่ยเราก็ไม่บาปเช่นเราโทรไปถามเขาว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องปวกแล้วกันรเราจะทำยังไงดีเขาเอาไม่เป็นไรครับผมบริการจัดการให้อยู่แล้วอาช า, าสมรักมาทําให้อย่างนี้เราก็ไม่บาปนี่ต้องมี็นบูหานนิดหน่อย ครับผมจิตออกจากร่างกายเป็นเพราะอะไรครับคือจิตไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยอยู่ในร่างกายเลยจิตกําร่างกายนี้อยู่คนละโลกกันเหมือนร่างกายอยู่บนโลกนี้จิตยอยู่โลกบนโลกพระจันร์แต่สามารถใช้กระแสกระแสของจิตนี้ติดต่อรับส่งข้อมูลให้กันได้สั่งให้ร่างกายทำงานได้ กับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยเครื่องหนึ่งอยู่ที่สหรัฐแต่ก็สามารถสั่งเครื่องหนึ่งสามารถสั่งให้มือถือเครื่องหนึ่งทําอะไรต่างๆได้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกายครับ็นแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละโลกกันร่างกายอยู่ในโลกธาตุส่วนจิตน่อยู่ในโลกทิพย์และติดต่อกันได้ด้วยกระแสความคิดของจิต และกระแส ก, การรับรู้รูปเสียงกินรถที่ที่ไปรับจากตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายระยะเดินจงกลมในบ้านมีจำกัดครับ9ก้าได้สิบห้าเไปกลับราว39ระยะสั้นไปหรือไม่ครับก็แล้วแต่เราท่านเดินเราไม่เวียนศีรษะก็ไม่เป็นปัญหา การให้อภัยทำให้จิตใจสบายแล้วเราจําเป็นต้องคบหรือพบปะ ก, กับคนคนนั้นอยู่ไหมครับจริงๆไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนนั้นแล้วครับก็เราเลืิกได้แต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ก็คบกันไปดิฉันฝันถึงหลวงตามหาบัวในฝันหลวงตาพูดถึงบุคคลหนึ่งชื่อเจมหมวยซึ่งดิฉันไม่เคยรู้จกักหรืได้ยินชื่อมาก่อนแต่เมื่อมาสอบถามกับลูกศิษย์ของหลวงตาแล้วปรากฏว่าบุคคล น, นั้นมีตัวตนจริง แบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องเมื่อเอินไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะเด็กสองขวบก่อนอุบัติเหตุตายได้บอกลาพ่อแม่และจะกลับมาเจอใหม่อเหตุใดเด็กจึงอย่างรู้และพูดอย่างนั้นได้ครับไม่รู้เหมือนกันนะมีคนทักครับว่าปีนี้เป็นปีชง เราควรปฏิบัติตนและวางใจอย่างไรปกติไม่ค่อยได้สนใจแต่บางทีหวั่นไหวสิ่งที่ทำอยู่คือทามศีลภาวนาผู้ ด, ดีทำดีคิดดีอกุศลเข้ามาในจิตก็รู้ทันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างเป็นไปตามกรรมยอมรับในความจริงด้วยใจที่ยิ้มเกิดแก่เจ็บตายปัดภาคเท่านี้เพียงพอไหมครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับพอแล้วถ้าทาได้ก็บรรุทังได้แนละ้วแค่นี้ รู้สึกมีบุญนะครับมาเจอพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วเข้าถึงความสุขสงบมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับพระอาจารย์แล้วถึ ง, าถงการที่เรานอนฝันคือจิตออกจากร่างกายไหมครับฝันทุกคืนหลายเรื่องครับจิตไม่เคยอยู่ในร่างกาย้จิตอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์เหตุที่ทําให้ฝันดีฝันได้ก็คือบ่บาปหรือบุญที่ที่จิตได้สะสมไว้ได้กระทําไหม เทวรูปเป็นที่ศรัทธาของคนในจังหวัดผมอย่างมากจะยกมือไหว้กันแต่ผมไม่ไหว้ถูกต้องไหมครับจะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้มันไม่ผกฎหมายมั้ยนเะนี่ยน่ทางศาสนาก็ไม่ได้ห้ามจะไหว้ใครก็ไ่ว้ได้เป็นมารยาทการแสดงความเคารพนับถือเป็นการเป็นการอะไรทักทายกันก็ได้แล้วก็ยกมือไหว้กันไป นางฟ้าเทวดาสามารถมาตักบาตรหรือร่วมฟังธรรมกับมนุษย์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้ไหมครับหรือฟังธรรมบนสวรรค์ครับแล้วแต่ผู้แสดงธรรมี้ท่านมีมีอภิญญาหรือเปล่าถ้าท่านติดต่อกายทิพย์ได้ก็ยังมีกายทิพมาฟังธรรมของท่านได้โอ้หมดเวลาก็ดีคำถามก็ หมดแล้วครับอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วอาจารย์ครับขอโอกาสรอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอเช็คยอยดับครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซสี่ร้อยสิบท่านนะครับในยูห้า้อยแปดสิบนะครับเจ็ดในติ๊กต็อกห้า้อยเจ็ดสิบหกครับวันนี้มีคนฟังทำอยู่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนครับอาจารย์ครับเนื่องจากพี่จุกไปปฏิบัติภาวนาแล้วครับอาจารย์จึงไม่ได้มีใครนับคําถามครับผม ไม่เป็นไรก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาถามตอบคําถามหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและการสนทนาครรมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดเข้อันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกขอบคุณพระอาจารย์ครับ